นะไม่รู้ใส่หูหัวห <c oughs> ฟังธรรมทุกวันเพื่อเรียนฐานะสองจิตวิญญาณสองเหล่า เรามีกายเรามีใจกายเราก็กินอาหารทุกวันใจก็มีอาหารคือธรรมะนี่ชีวิตของเรามีสองส่วนนีอาไรชีวิตมาแบบเดียวกันหมดอวัยวะต่างๆเหมือนกันหมดตรงที่เราสวดพระสูตรในร่างกายนี่มีเหมือนกันหมด ไ่้เกิดขึ้นแล้วเจ็บเจ็บตายไปมันกันหมดชีวิตไม่เที่ยงชีวิตเป็นทุกข์ชีวิตไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราเร <c oughs> าใช้ชีวิตอย่างไงให้มันคุ้มค่าเศรษฐีของเราทำใมีกายเราไม่เจ็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 เือนมรคเฉลมผลเตืนนิพพานถ้าเป็นเราเรียว่าไม่ใช่ชีวิตเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่ชีวิตเลยเป็นผู้ร่อนเป็นผู้หนาวเป็นผู้หิวเป็นผู้อิ่มไม่ใช่ชีวิตอันเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับเหตุปัจจยัยคนทุกข์ยากลำบาก ก็ <c oughs> เกียรติข้น้นทำการทำงานใก่ชีวิตไม่ถูกต้องตอนพอมีโยมีจินแล้วก็ใช้ชีวิตถูกต้องตามพี่เขาได้มาเหมือนนั่นมันอยู่กับการใช้ของแต่ละคน แต่สิ่งที่ที่เหมือนกันรู้จักกินรู้จักนอนรู้จักหลบภัยรู้จักเสบกามอันนั้นเป็นวิถีของของสัตว์โลกของสัตว์โลกมีอยู่ทั่วไปแต่บางชีวิตก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้แบบนั้นทั้งหมด อยาเอาการกินเป็นใหญ่เอา ก, าการนอนเป็นใหญ่อย่าเอาการกลัวหลบภัยอะไรเป็นใหญ่ภัยที่มันต้องหลบต้องเล่มันเกิดจากเหตุปัจจัยบางอย่างเกิดจากตัวเราเองจิตที่น่ากลัวที่จุดเคยตัวเหล่านี้บางทีเราไปกลัวอันอื่นจนเกินไป ถ้าเรามีชีวิตจริงๆไม่ไม่มีสิ่งใดที่น่ากลัวความเกิดความแก่ความเจ็บค ว, ความตายก็ไม่น่ากลัวความทุกข์ความยากความจนก็ไม่น่ากลัวถ้าเราได้ชีวิตแล้วอาจจะจนน้อยแต่ชีวิตจริงๆมีศีลมีสมาธิมีปัญญาปัญญาเป็นเครื่องราบ ปัญหาปราทุกข์ป่าจนป่าปัญหาต่างๆศิญสมาธิปัญญาขาดศินขาดสมาธิขาดปัญญาผิดศิญผิดธรรมมีทุกข์มีโทษนี่คือชีวิตตามความเป็นจริงไม่เป็นอย่างนี้ขวมโกรธไม่ใช่ชีวิตล่มทุกข์ไม่ใช่ชีวิตวยอมวิตกกองวนเศ้าหมองไม่ใช่ชีวิต ไม่ใช่ชีวิตถ้ามีชีวิตแบบนั้นเลยว่ามีการเกิดเจ็บเจ็บตายเกิดตายเกิดในลักษณะที่เป็นอาการต่างๆจอมขันยึดปั้นถึงงั้นในความโกรธก็ตายในความโกรธในความทุกข์ก็ตายในความทุกข์ในความรั ก, ก, ค, ว ก, ค, วกความชังก็าตายในความรักความชัง มีอะไรก็จนเรื่องนั้นคนมีลูกก็จนแบบมีลูกทุกแบบมีลูกสุขแบบมีลูกคณะเป็นโลกคนมีทรัพย์เสียงเงินทองก็สุขแบบมีทรัพย์เสียงเงินทองทุกแบบมีทรัพย์เสียงเงินทองคนมีพันยาสามีก็สุขแบบพันยาสามีทุกแบบคนมีพันยาสามี คนม่ช่างไม่มา้าไม่วัวไม่ควายมีอะไรเยอะแยะ ก, ก็ทุกแบบคนมีทุกสุขแบบคนมีทุกมันมีอะไรไม่มีทุกอะไรเลยหมายถึงชีวิตจิตใจที่มันเหนือเหนือได้เนื้อเสียหมายถึงทางเหนือเสริญเหนือโุกเหนือทุกอันเนี่ยเลยไม่มีเจอะเจี๊ยตายลักษณะอันนี้ มันไม่ใช่ตายแต่เรื่องร่างกายรูปธรรมมันตายในเรื่องวิญญาณเกิดดับเกิดดับเกิดโศก ก, กก็ตายในความโศกเกิดทุกข์ก็ตายในความทุกข์เช่นภพเช่นชาติ mm. เกิดเจ็เจ็ตายในภพในชาติแบบนี้ภพชาติภพภบพบคือภาวะที่เกิดขึ้น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 เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราก็รู้แล้วรอบไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรอบไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนมันอยู่ในความป็นทุกข์อยู่ในความไม่เที่ยงเห็นแล้วจบไปแล้วเรื่องขาน้าอันเก่าเท่านั้น แต่ถ้ามีอุปทานถข้าไปเจียวค้องไม่เป็นไปตามจริงของขันหน้าแล้วก็เป็นเพราะเป็นชาติจู่ตรงนั่นได้เป็นเพราะเป็นชาติจูดตรงนั่นได้ถ้ามีเพราะเป็นชาติจุดในขันหน้าที่มือประทานโอปะทานมาก็มีพบชาติต่างๆเป็นเต่เป็นศุลกายเปรัเทศนรกเป็นเดชชานได้ ถ้ามันมีอุปทานในขันหน้ากันขันขันล้วนๆเป็นขันที่ทำให้เกิดมรรคผลให้พานได้ไม่เกิดไม่แฉไม่เสีย ไ, ไ, ไม่ตายเพราะขันที่บอกขันที่มีอุปทานเช่นนั้นเมื่อกลับพ่วงแทกขอบคุณขันอันนี้มาให้วันรลุธรรมไม่ใช่มาให้เป็นทุกข์เป็นโทษ เราได้ชีวิตมาแบบนี้มันเป็นความเพียงพอกับการทำความดีชีวิตแบบไม่ต้องถึงมากถึงคลถห้ใชชีวิตแบบไม่พาเกิดเจอเจ็บตายเราวันเจ็บวันเจ็บวันตายที่ยังมันเจ็บมันเจ็บวันตายทุกวินาที แก่ในความคิดแก่ในความรักแก่ในความชังเก็บในความสุขในความทุกข์เกิดนคนถั่ลาอคนร้องไห้มีลักษณะเดียวกันถ้ามีสุขมีทุกข์ความมีลักษณะเดียวกันอันเดียวกันสุขทุกข์เป็นจิ่งที่เกิดจากโอปปทาน ไม่เป็นธรรมเสมอกันหมดถ้ามีสุขก็จะมีทุกข์เป็นคู่กันอยู่ในความสุขในความทุกข์นั้นเอามาเป็นประโยชน์ย่มาเป็นโทษอยามาเป็นสุขเป็นทุกข์เรียกว่าเป็นสังขารตัวหนึ่งที่คนมองไม่เห็นในสุขในทุกข์นั้น แต่ปัญหาความโศกความทุกข์ก็ตามไปเวลาหนีทุกข์ความความทุกข์ก็ยังหนีไม่พ้นถ้งมีทุกข์อยู่ถ้าเราเห็นไม่เป็นเห็นทุกข์ไม่ใช่เป็นผู้ทุกข์ออกจากโลกได้บ้างเห็นทุกข์เป็นผู้ทุกข์ น, นั่นเราอยู่ในโลกต้องเจ็บปวดต้องแก่ต้องเจ็ บ, ต, จบต้องตาย ถ้ากลัวตายถ้าถ้าอย่างตายอย่นี้ก็ต้องตายอย่าง อ, อื่นหลายอย่างถ้าไม่ตายอยู่บนตรงนี้ก็ไม่ตา ย, ยเลยเลยชินพบจินชาติไปเลยในถุกในทุกยังเป็นสังขารตุนยาพิสังขารสังขารคือบุญ หากคนยาที่สังขารสังขารคือบาปเท่าเท่ากันแต่คนที่ไม่รู้เนืกอว่าต่างกันก็ถูกสังขารสองอย่างหลอกชีวิถูกหลอกจนไม่มีเวลาปกติใน มักผลนิพานมักผลนิพพานแค่มันปกติในสุขในทุกข์ไม่มีปัญหาไม่ทําให้กับเรื่อได้มักผลนิพพาน่ะชีวิตเราต้องมีมักผลนิพพานแก่นแก่นสารไม่แช่ออะไรไปเป็นแก่นสาร พ่อเจ้าด่าพระอานนท์เอาให้จนมีแก่นคำด่าทาให้เกิดเกล็ดทำให้เกิดเกล็ดในชีวิตได้ไม่ใช่อ่อนแรงมีแก่นเหมือนไม่โคกไม่ที่เกิดจุบันโคกมักจะมีแก่นมันต่อสู้ มันอ่มันไม่สะดวกในการดูการจินของเขาบุ๋ยก็ไม่มีกินก็ไม่ดีเช่นไม้ป่าไม่ดองกับไม่โคกคุณภาพต่างกันแต่ไม่โคกคุณภาพดีกว่า แข็งแดงกว่าเน่นหนากว่านมาทำเสาออกมาทำบ้านแข็งแดงกว่าเช่นไปชื่อไม้ลงไม้แต่ไม้ในป่าในดงจะไม่ค่อยจะมีคุณภาพผุพังได้ง่ายจางไม้กระดานเนี่ย เลือกไม่กระดาลต้องเลือกไม่เนื้อดีๆอันนี้ไม่เต่งหลังไม่ตะเคียนอันนี้นก็มีคุณภาพชีวิตเราถ้ามีไม่การต่อสู้สู้ออนไลน์สู้ความรักสู้ความชัง จะให้ baptism, mm hmm. ความรักเป็นความรักจะให้ความชังเป็นความชังให้ความรักเป็นประสบการณ์ใจมันเคลื่อนไหวในความรักนิ่งในความรักถ้ามันเกลียดมันชังมันเคลื่อนไหวในความชังนิ่งในความชังสู้ในความรักสู้ในความชังมีสติมีสัมชัะมันว่าไม่อยู่บนโคก มันก็สร้างคุค้มกุ้มคันเวลาไปไม้มันก็ไม่กระทบกระเทือนไม่เหมือนไม้ในป่าในตรงวัดป่าสุโกโตไปไม้นิดหน่อยก็ไปแล้วอ่อนเวลาไม่ไม่แก่นไม่เชืเ่อมแสงไม้ในป่าเนี่ยถ้าไปถูกก็ตายเลยตายแล้วก็ ศูนพันไปเลยไม่มีหนองไม่เหมือนไม้ในโคตัดเท่าไรก็ขึ้นเท่านั้นมันแข็งในความอ่อนไม่แก่นในความอ่อนล่ากว่าลึกสองามเมตร มันจะตื่นมาได้มันเอาตัวรอดไม่ไหนดงอะ่ะลากไม่ลึกลากลอยลอยไม่มีลากแก้วก็มันประมาร์สมาทมันไม่อดไม่ยากวิ่งไปทา่ไหนอาหารจะดินมันดี ถ้าไม่ในโคกเนียมันไม่มีอาหารสิ่งต้องช่วยตัวมันย่างรากเลึกลงไป แ, งแหง้งแรงดนโดนบนหินพยองช่วยตัวมันเวลาชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าเวลาสุกออดแอร์เป็นความสุขสุกเป็นสุขไม่ค่อยเช่มแข็ง ปล่อยงอ่ะปลอยตัวอเพิดเพลนตอใจยมใจสุกใจหมดไปลอยหลงไปลอยหลงในความสุขอ่อนไปแล้ว <c oughs> ใเรามันทุกข์อ่อนไปในความทุกข์ฝันไหวความทุกข์เป็นความทุกข์บ้านไม่ยากถ้าเราเจอ ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพลังแน่พระเจ้าจึงมั่นใจและมั่นใจที่สุดมองลักษณะเป็นคู่เข้มแข็งในความอ่อนแรงหนักแน่นในความมันวันไหวหวันไหวที่นั่นเข้มแข็งที่นั่น งอนต้นมา <c oughs> <c oughs> ที่อาศัยประสบการณ์พัฒนาตัวเองชีวิตของเรานะ่ะมันมีประสบการณ์กับลูกทมกับนามทรแต่งสำเร็จตรงนี้ สำเร็จตรงรูปทมนามธรรมเนี่ยรูปธรรมตามธรรมนี้เป็นไขให้เกิดมักเกิดผลเหมือนพวกเหมือนแผลขี่ข้ามภาคโขกคนปิดาบานลามที่ให้รูปให้นามมาแต่ถ้าเราไม่รู้จักใช้ถือว่าเป็นทุกข์เป็นโทษให้คองเดินรับผิดชอบเรา เรียกร้องอาอัใจพ่ออาอัยแม่เกคคินขึ้าจนจะตายก็รังล้องหาพ่อหาแม่อยู่มันอ่อนแอคนต้อยขึ้นมาตายที่นี่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือด ฝังไปตรงสลาหัวใจเแม่นเราพัดนจบลังตาขุดหลุมสลาให้ชาวบ้านมาปลูกให้กดหลุมลงยวไปเจอกระดูกชาวบ้านทิ้งเสียมเนี้อใช่หลังตาขุดเอง กดลงไปเอาก็ดูขึ้นมากดลงไปก็ดูขึ้นมาได้แบบได้เทีย่ยฝังลงไปอ่าเนี่ยเวลาเขาป่วยโรงพยาบาลอตาไปดูเขาแม่แม่แม่ร้องอยู่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 ทำไมร้องหาแม่มันสบายใจมันสบายใจแล้หายร้องไปนี่แหละร้องหาแม่แมจนตายอันนี้มันโอคนเด็ดแทนที่ว่าพุทธังส น, นังกัเจ้ามันเชืเเนนะ่อแข็งนะข้าเจ้าอาไชพุทธเจ้าแล้วข้าวเจ้าจังพ้นจอกทุกต้องฟองดอย สมองสนนองก็จะมีเข้มแข็นงนะได้ไปร้องหาพ่อแม่อะไรก็พ่อแม่ทั้งทั้งที่พ่อแม่ก็ตายไปแล้วอ่อนแรต้องฝึกตนสอนตอนในเข้มแข็งในสิ่งที่มันอ่อนแรงตอนที่เสก็น้าตาก็ช่วยดูแลเขาจนสิ้นใจ นอนตาก็ยืนอยู่นี่อยู่ข้างเตียงนี่ไม่หนีไปไหนเรานอนตาจะไม่ทอดไม่เท่งรับผิดชอบทุกอย่างจนเหลือแต่กระตูกก็จะรับผิดชอบจาวันไว้นะแล้วก็สามท่าจะยิ้มแต่ยิ้มไม่ออกมันไม่เคยเปก เลอเราตายในความตายยังไม่ตายก็อ่อนแล้ ว, ก, ลวกัวนแล้วได้พูดถึงการมึกผลนิพันธ์มันเป็นกีฬาของเราเหมือนนักมวยเกาขึ้นเดี๋ทีเราจะตีกันแล้วก็ยังพ้อนลำกันอยู่ลำมวยกันอยู่ใช่ไหมพ่อจะยก จะ ต, ตีกันเนาะล้ลมไวกันเถ อ, อะคนมันสนุกสนุกในความเจ็บลองดูสิสนุกในความตายจะว่าอย่างไรไม่มีปัญหากับเราเลยอันวามเจ็บเจ็บตาย น, ะนี่ชีวิตเราเกิดมาปีนี้หลองตาเกิดมาแล้วเกตบสาม ไปในวันที่สิบสองที่ผ่านมาบัด น, นี้เข้าเจ็ดสิบสี่ไปแล้วสองวันสองวันแล้ว อ, อะไรล่ะเกลือหรือไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วไม่ไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วไม่เอาความเกลือไม่เอาความเก็บ ไ, ไม่เอาความตาดไม่มีแล้วต้องเป็นมรรคผลในพานถ้าชีวิตไม่มีมรรคผลในพานเกิดมาทําไม เกิดมาทุกข์ยากลำไย ม, มากินกินนอนนอนหลบภัยอยู่สอยกรริวันพ่กรมรมันจนเป็นเรื่องใหญ่เร้่องโตเป็นมหาเจ้าตัวเเป็นมหาตคนเื่นทหารในโลกเป็นเพียงพรองเดีย๋ยวถ้าคนหนึ่งไม่โลกกินพอกินกันได้ถ้าคนหนึ่งโลกพอซะมันก็หมดคนอื่นไป ว่านั่นเนี่ยเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องอันเนี่ยมันเป็นส่วนเกินลองดูชื่อเรากินข้าววันหนึงไม่เท่าไหร่แต่ทำไมาจึงมากมายว่าเรามาทีทําเป็นมรรคผลนห่พานเระมิตรภาพแผ่นดินเรียบมันหน้ากองทรายเสมอภาพ ชีวิตต้องไปถึงจุดหมายปลาทางตรงนี้ที่จะคุ้มค่านี่ก็สิงหาก็ผ่านมาแล้วแรงแปดข้ามโต ว, วันโตคืนด้วยมักผลนิผ่านนิบผ่านชิมลองนิบผ่านเกยข้าขึ้นมาจนถึงนิบผ่านถาวรมันอยู่ตรงไหน เราก็ประสบกันอยู่เห็นอยู่เห็นกระแสอยู่ผู้มีสติย่อมเห็นกระแสมักนนผ่านไม่ผ่านเวลามันหลงเห็นไหมเดินผู้หลงหรือเห็นมันหลงเรามันหลงอันหลงนี่คือโลกถ้าเป็นผู้หลงเป็นรถของโลกยังถูกโลกทับถมเห็นมันหลง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 ทิมลองไปเหมือนเรากินข้าวเที้ยวคำข้าวทีละคำจะให้อิ่มเลยมันคงอิม่มในระดัคยค่อยๆกินไปคืนไปล้วก็มาอิม่มเห็นหลงไม่เป็นผู้หลงค่อยสูงขึ้นไปเห็นทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์เตืรนอะไรอะไรที่มันเกิดกับกายกับใจแน่แล้วไม่อยากเข้าไปเป็นกับมัน ให้เป็นอิสระตรงนี้เป็นธรรมแจ่ตัวเองตรงนี้มักผลนี้ผ่านเป็นทางแบบนี้ผ่านความหลงผ่านความทุกข์ผ่านความสุขผ่านความพอใจผ่านความไม่พอใจนี่คือชีวิตแท้ๆล้วเนี่ยชีวิตอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หายใจเข้าหายใจอกอกอ น, นัน่นเป็นพ่วงแพร ที่ใช่ได้ถ้าไม่หายใจเข้าไม่หายใจออกก็ไม่มีแผลแล้วแต่เราใช่แล้วเราใช่ขึ้นฝั่งในแล้วพ่่งแผแลแนวเราจึงใช่แล้วเุิมค่าแล้วขอบคุณพ่อแม่ที่เราเกิดมาขอบคุณคนทักโลกขอบคุณทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเราทั้งหมดในโลกแนวะ มีส่วนร่วมช่วยเราอยู่ดวงอาทิตย์ก็ช่วยเราแสงแดดช่วยเราละอองฝนพ้นเมฆมีฝน ม, มีดินมีพืชต่างๆมาช่วยเราหลายอย่างที่จตปรุนให้เราถึงมากถึงผนได้มองแบบนี้แล้วว่าสิ่งแวดล้อมเหมือน นกสาลิกาหล่มพัดตกไปอยู่กลางทิศทางสองตัวตัวหนึ่งอยู่ในจิงเวดล่อมไม่ดีตัวหนึ่งตกอยู่ในจิงเวดล่อมดีก็ต่างกันตัวหนึ่งไปตกอยู่ในฤาษีพระฤาษีในป่านี้จะสิ่งแต่ท่านไม่แต่ภาวนายึดเด เมตตากรุณานะอะไรต่างๆได้ยินแต่คำเลยเชื่อการเมตตากั น, กนอย่าทุกอย่าโทษท่านหยาทำโทษทำให้เกิดผิดเพี้ยแยตัวเองคนอื่นตัวสีสอนกันนาะไปตกอยู่ในตัวหนึ่งไปตกอยู่ในกลุ่มโจรก็มีแต่ ฆ่ามันตีมันยิงมันเอามันเลยฆ่ามันเลยก็ยไม่ฆ่ามันก่อนยิงมันก่อนว่าใจไม่ใครตอเราป้นเอาของมันแย่งเอาสอนกันแบบมันนกสัตว์เลี้ยสองตัวก็พูดภาษาต่างกันสีทุนตม่มงโนราผ่านโดงอ น, นไรป่า ไปเจอนกไสกาอยู่กับฤาษีไปเรียนกับฤาษีไม่ความรู้กันมาใจที่เาล า, าร้อนเกิดใจเจนกันมาสงสางกันสับพ์เสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิดเจรยญตายยาเบียเบียนกันสีทนถือดาบเห็นลอยก็จะฆ่าเะได้พอไปถึงด่านือาษีนกศรสกามันพูดแล้าเจ้าอะไรบาง ใจเย็นลงพอผ่านไปไปถึงนกเสรีกาอยู่กับผมโจรถ้าโจนมาอยู่เสรีกาพ่อพ่อบ้านเขาพูดข้ามันเลยเอามาเลยอิมันเลยแสงมันเลยสีตัว <c oughs> ตรงวิ่งหนีไปมันต่างกันที่นี่มันใช่ใชีวิตของเราก็มามีไหมแข่งแรงเสริกามีไหม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 เอาจริงเอาจังอ่อนแดดขึ้นเทียกเกินไปมันก็สิ่งวรล้อมไม่ดีนะจัดสิ่งวรล่อมไม่ดีมันอ่อนแดดเข้มแข็งมันหลงมันสุกมันทุกข์เข้มแข็งมันจะดวกสบายมันจะอ่อนแดดเข้มแข็งสร้างสารคชีวิตของเรานะ่ยจึงจะาชื่อว่ามนุษย์นะเป็นสัดประเสริฐจึง ใดที่ไม่ดีเปลี่ยนให้เป็นดีจิตใดเป็น been, เป็นทุกข์เปลี่ยนให้เป็นไม่ Gonzalez, เป็นทุกข์จิตใดเป็นสุขเปลี่ยนมาให้เป็นสุขจิตใดพอใจเปลี่ยนไม่ให้พอใจไม่พอใจเปลี่ยนให้ <c oughs> ไม่พอใจ ส, สวนถวนกระแสสูงขึ้นใจสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆไปแล้วก็ย่อม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 ถูกต้องหอนไทยถูกจิงตอยมากที่สุดทหานเราไม่เจ่ดเด็กน้อยมันอยู่ในที่ชัยภูมพดมดีร่มเก้ามันโสงขว่อหวังไทยแล้วก็มองเห็นได้จต่ตัวขนาดไหนก็ไรเปียบใจีูยบมของชีวิตเราคือชัยชนะมันจกไม่สุกชนะแล้ว มันทุกข์ไปทุกข์ชนะแล้วมันอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดก็ตามถ้าไม่ปกติชนะทุกอย่างกลมหาปกติกลับมหาปกติหัดอยู่อย่างนี้ฝึกผลอย่างนี้หัดทำอย่างนี้ถ้าไม่ทํามันไม่เปิดและไม่ใช่รู้นะมาศึกษาปฏิปธรรมไม่ใช่มาเอาความรู้นะหัดให้มันเป็นมันหลงรู้สึกตัวเนาะ เป็นผู้เห็นไม่เข้าไปเป็นกับจิงต่างสงเกลินสงเกลินจิตใจสงเกลินสงขึ้ขิ่นเมื่อ ส, ง, ส, ง, นนสงอเยยอมทับถมไม่ได้ฉุกทุกย่อมทับถมไม่ได้มักผลิบผ่านเดินไปทาเราเนี่ยไม่เชื่เดินจงกรมไม่เชื่นั่งยกมือสร้างจะงหวะเดินจงกรมก็มีความรู้สึกตัวเพื่อเตรียมพร้อมมีสติ ร่างจังหวะก็มีสติเตรียมพร้อมให้ง่ายๆเมื่อเรามีตาลื่อนขึ้นก็เห็นเห็นตาในของเราเนี่ยไม่หลับไม่บอดรู้จักตัวอยู่รู้จักตัวอยู่เสมออดีตบทที่สะดวกส บ, บายที่สุดคือนอนสําหรับคนแก่นะนะนอนรู้จักตัวเป็นอดีตบทส บ, บาย จะยกมือก็ไม่ไหวจะช่ากเต้นจังกรมก็ไม่ไหวนั่งนานก็ไม่ค่อยไหวถ้านอนนอนมากก็ไม่ไหวละต้องพอยดีพอยอ่าเดี๋ยวนี้ย่างเขา้าเมื่อบันอายุมากก็ต่างกันนะต่างเก่านะการเดินก็ไปยังน้ำเก่าอุดอดอกตัวเก่ า, า <c oughs> แต่พยายามพัฒนาอยู่จังกรม啊 พยายามจงกรมทุกวันวันละชั่วโมงตอนเช้าตามมาเจก็รีบไปจงกรมอยู่ที่ทางเดินจงกรมชมทางจงกรมนานเห็นข้องพยายามเดินใๆวิ่งเอาแกงแขนเอาเน้องตาจงกรม๋ยว่นี่ไม่ใช่เหมือนเมื่อนุ่มต้องแกงแขนได้วยเดินใบวอ่งอันแกงแขนเนี่เดินช้ามลัล่ะ ต้องได้จังหวะกันถ้าไม่ได้จังหวะกันมันถ้าเดินชา้าแฉงแขนมันไม่ไม่ช้าเป็นจะทำไงจะทำไงมันชา้าไปว่าต้องให้มันมีพลังงานแก็เลยเดนจะกลมไหวชักหน่อยยาวอย่างของตานะของตามันสภาพแบบนี้ได้ประโยชน์คนระั้งแฉงแขนเนี่ย เข้มแข็งมาเพราะแข่งแขนหัดแข่งแขนงตั้งแต่อยู่ห้องไอซียูห้องโรงพยาบาลกับจานต้มจานนวดห้องไว้วังก็ไม่ไกลหัดจงกรมอยู่ที่นี่หน่อยๆจานนวดเพรว่าแล้วแข่งก็เพียงร้อยสองร้อยข้างสามร้อยข้างก็พอแล้ว บางทีเราตามเราพัฒนาขึ้นไปให้ได้เป็นพันครั้งบางทีก็ให้จาโนดเิ้วปีกขึ้นไปดาดฟ้าชั้นจีแขงแขงอยู่มองข้างหน้าไปทางสวนลมพีนี่เห็นคนเขาวิ่งจับจับจะอ้อมสวนลมพีนี่เอาก็กระทำไทเก็กเอานอนอยู่ที่สูงมองไป เราเมื่ อ, อไหรเราจะเดินได้เหมือนเขานาะมีโอกาสวิ่งได้เหมือนเขาหรือเปล่านาะบางทีเราก็เข้มแข็งนะท่าเชิญอีกอันหนึ่งคือเรื่องดีคือแสงแดดทําไมไมันต้องการแสงแดดบ้างชอบที่สุดคือแสงแดดอาบแดดตอนเช้าแสงเดเนมาเอาน้ำตาลแบบนอนเล่าลงไปบ น, บนพื้นบนปูน มอายไอผุนมันตากแดดมันร้อนขึ้นมาโอ้โห้ันค่อยๆเข้มแข็งนะเข้มแข็งเพราะแสงแดดเกิต้นไม้ต้องมีแสงแดดอะไรต้องมีบรรยากาศไม่ใช่อยู่ในร่มเงาจดเวลาทุกบ้างก็ดีหิวบ้างก็ดีหนาวบ้างก็ดีร้อนบ้างก็ดีอย่าวันไว้นะ ชือว่าฝึกตนสรนตนให้ก็เสกกันฝึกเสกกันทุกวันให้เข่มแข็งเฉกคนนั้นเป็นพระใจดีวกว่ากกเกาแข็งแรงกว่าเกาไม่ใช่เสกอิจเสกปูนลึกเสกกันแบบนี้สอนกันแบบนี้นให้เต็มที่หรือโคดเก่ากัน โกรเก่าก็ให้ไปจังอาลาศีขึ้นมาให้เลื่อมให้ใสขึ้นมาเราก็โกดเก่าตัวเองว่าเวลามันหลงรู้โกรเก่าแล้วเวลามันทกข์รู้เวลาอะไรอะไรทั้งหมดรู้ทั้งหมดเลยไม่มีสิ่งใดที่เราไม่รู้หลุดพ้นทุกอย่างหลุดพ้นนกอย่างดูดพ้นทุกอย่างมันหลงหลุดพ้นความหลงมันทุกข์หลุดพ้นควา ม, มทุกข์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 ตอนนี้เราจนนะแม่กลัวเอาขยะไปขายให้เงินหลายบาทแล้ว <laughs> นะที่นี่ต้องขายขยะกินแล้วนะเก็บขยะต่อไปจะหาอาสาสมัคร <c oughs> อาสาสมัครเก็บขยะอาสาสมัครคัดเลือกขยะไปเห็นมาแล้วไต้หวัน เงินขาขยะนีงปีหนึ่งเป็นหลายล้านบาทอย่ามองข้ามนะนันมีค่าอาไปทิ้งกว้างถ้าไม่มีที่ทิ้งมาทิ้งวัดป่าสุโกโตก็ได้การโนดการลังทำการต้มทำถังรองรับกันอยู่เอามาทิ้งเอ้ท่านตุ้ยก็เทศบาลสุโกโตกเก็บขยะนะ อาสาสมัครมีไหมมาสมัครคัดเลือกขยะกระดาษเอาไว้นหนังโลหะไว้นหนัง <c oughs> ะจะเลือกไปขายที่นี่ขายขยะแล้วอ้าดตอตนอ้นจบสมขวรเจญเวลาต้อทานจ